นที่สิสิงคาลามานพหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงส่งพระอรหันตสาวกหกสิบรูปออกไปเผยแผ่พระศาสนาตามทิศ ท, ทางต่างๆแล้วพระองค์ได้พิจารณาต่อไปว่ามีสำนักลัทธิใดบ้าง ที่พระราชาข้าราชาการและประชาชนเลื่อมใสยอมรับนับถือและปฏิบัติตามอยู่พระองค์เสด็จออกจากป่าอิสิปตนะตรงไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้สู่ประเทศมคตมุ่งไปยังตำบลอุรุเวลาและเสด็จไปยังสำนักของชดินกัดส ป, ปะผู้มากด้วยทิฏฐิโดยเชื่อมั่นว่า ลัทธิบูชาไฟของตนนั้นสามารถเผากิเลสให้หมดไหมได้พระองค์ได้ทรงทำลายทิฏฐิของเชดินเหล่านั้นด้วยการอธิบายหลักธรรมที่ทรงค้นพบได้ใหม่ว่าไฟตันหาอันเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจยามเมื่อตกอยู่ในความโลภ ความโกรธและความหลงนั้นต่างหากที่ทำให้มนุษย์ร้อนใจอยู่เสมอผู้ใดดับไฟตัณหานี้ได้สนิท ด, ดอกจึงจะได้ชื่อว่าบรรลุธรรมด้วยพระธรรมเทศนานี้เองฉดินสามพี่น้องและบริวารอีกพันรูปมีความเข้าใจและพอใจในคำสอนนี้ ได้ทูลขอบวชเป็นภิกษุในศาสนาของพระองค์แล้วต่างก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ในเวลาต่อมาทุกรูปทั้งหัวหน้าและบริวาร<ก>งานเผยแพร่ของพระองค์ขั้นต่อไปคือทรงพาพระสาวกทั้งพันกว่ารูปนี้ ไปสู่นครราชครืตามที่พระเจ้าพิมพ์ิสารเคยทูลขอร้องไว้ว่าหากทรงบรรลุธรรมเมื่อใดขอให้เสด็จมาสั่งสอนพระองค์และประชาชนบ้างณสวนตานหนุ่มซึ่งพระองค์ทรงประทับสั่งสอนชี้แจงด้วยพระหัตถยอันเต็มไปด้วยพระกรุณาโดยวิธีต่างๆจนกระทั่งพระราชาและประชาชนเหล่านั้น มีความเข้าใจในธรรมประกาศตนเป็นสาวกของพระองค์พระเจ้าพิมพิสารได้แสดงความเคารพนับถือในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ปรากฏประจักษ์ชัดแก่ชนทั้งหลายด้วยการถวายอุทยานเวรุวันให้เป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข เช้าวันหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จออกจากอุทยานเวลุวันเพื่อไปบินทบาทในนครราชฤทิ์ในระหว่างทางทรงพบชายหนุ่มคนหนึ่งเนื้อตัวเปียกชุ่มราวกะ ว, ว่าเพิ่งขึ้นมาจากน้ำเขายืนอยู่กลางถนนทำอาการคล้องตัวนกไหวไปในทิศทั้งสี่แล้วแงนขึ้นไปบนฟ้าแล้วก้มลงไหวพื้นดินแทบเท้าของตน ในท้ายที่สุดได้โปรโยเมล็ดข้าวไปทุกทิศที่ตนนบไหว้นั้นด้วยพระองค์ได้ตรัสถามว่าทำไมเขาจึงทำเช่นนั้นชายหนุ่มคนนั้นทูลตอบว่าบิดาของเขาได้ขอร้องไว้ก่อนจะสิ้นใจกำชับให้เขาปฏิบัติเช่นนี้ทุกเวลาเช้าอย่าได้ขาดทั้งนี้คงเพื่อเป็นการป้องกันสิ่งชั่วร้ายจากทิศทั้งสี่ จากเทวดาเบื้องบนและจากปีศาจในเบื้องต่ำมิให้มาสู่ตัวเขาพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าท่านเป็นบุตรที่ซื่อสัตย์รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับบิดาอย่างดียิ่งแต่นั่นก็ยังไม่ตรงตามหัวข้อที่บิดาท่านมุ่งหมายทิศตะวันออกอันเป็นทิศเบื้องหน้านั้น บิดาของท่านหมายถึงการแสดงความเคารพสการะต่อผู้ที่ให้กําเนิดคือบิดามารดาผู้มีอุปการะคุณทิศเบื้องหลังคือบุตรภรยาที่จะต้องเลี้ยงดูให้ถูกต้องทิศเบื้องขวาคือครูบาอาจารย์ ผู้สั่งสอนวิชาความรู้และบุคคลอันควรเคารพทิศเบื้องซ้ายคือการสงเคราะห์ญาติวงศ์และมิตรสหายอันควรเกื้อกูลทิศเบื้องบนหมายถึงสมณพราหมณ์ผู้ทรงความดีงามอันประเสริฐควรแก่การสการะบูชาส่วนทิศเบื้องล่างนั้น หมายถึงผู้ที่อยู่ต่ำกว่าอันเราไม่ควรเบียดเบียนแม้แต่ชีวิตสัตว์น้อยๆให้ได้รับความเดือดร้อนนี่คือการป้องกันอันตรายทุกอย่างอันจะมาถึงท่านจากทุกทิศ ท, ทุกทางได้จริงการระวังปิดกั้นมิให้เกิดความทุกข์ร้อนขึ้นในชีวิตก็คือต้องปฏิบัติ ต่อทิศ ท, ทั้งหกนี้ให้ถูกต้องนอกจากนั้นพระองค์ยังอธิบายให้ชายหนุ่มนามว่าสิงคาละนี้เข้าใจถึงการประพฤติตนให้ไปสู่ความเจริญทั้งในปัจจุบันและอนาคตทรงแนะนำให้ละเว้นจากการฆ่าเว้นจากการลักขโมยจากการล่วงเกินของรักของบุคคลอื่น จากการพูดเท็จและจากการดื่มน้ำเมาทุกชนิดให้ขยันหมั่นเพียรในการทำงานและไม่ใช้จ่ายทรัพย์อย่างโง่เขลาสุรุ่ยสุร่ายสรงสอนให้แบ่งทรัพย์นั้นออกเป็น4ส่วนส่วนหนึ่งเพื่อการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวส่วนหนึ่งใช้ในการขยายอาชีพให้กว้างขวางออกไป ส่วนหนึ่งใช้ในการสงเคราะห์ผู้ที่เดือดร้อนสมควรแก่การช่วยเหลืออีกส่วนหนึ่งเก็บไว้เป็นทุนสำรองเมื่อเกิดเจ็บไข้ภัยพิบัติจักได้ใช้สอยทันท่วงทีสิงคาละตั้งใจฟังคําแนะนําของพระองค์ด้วยความเคารพและกราบทูลพระองค์ว่าเมื่อเขาได้ทราบข่าวล่ําลือ ว่าทรงเป็นศาสดาเอกนั้นเขาได้ขอร้องบิดาให้พาไปเฝ้าพระองค์เพื่อรับคาสั่งสอนแต่บิดาเขาได้ปฏิเสธเสียทุกคราวไปโดยอ้างว่าลำบากเกินไปบ้างเหนื่อยเปล่าบ้างไม่มีเวลาบ้างไม่มีเงินสำหรับเดินทางบ้างสิงคาลามานบทูลขอร้องให้พระพุทธองค์ทรงยกโทษให้บิดาเขาส่วนตัวเขาเองนั้น ขอสมัครเป็นสาวกของพระองค์และยืนยันจะปฏิบัติต่อทิศทั้ง6ตามวิธีที่พระองค์แนะนำไปจนตลอดชีวิต